จเจนิญพรทุกๆ ท, ท่านคือการปฏิบัติธรรมนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เอาไว้ฟังเล่นฟังเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัตินี่ถ้าเราเคยปฏิบัติมาแล้วนะแต่ว่าผ่านมาหลายปีไม่มีอะไรดีขึ้นอันอนีต้องทบทวนแลต้องทําผิดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเห็นผลเร็ว ไม่ช้าหรอกไม่เนิ่นช้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าบางคนทําถูกนะใช้เวลาเจ็ดวันเจ็ดเดือน7ปีแค่7วันบรรลุธรรมก็มีวันเดียวก็มีถ้ารู้วิธีที่ถูกแล้วก็บารมีก็มากพอถ้าไม่รู้วิธีที่ถูกอารมลุกลุกรานอยู่อย่างนั้นกนะี่ปีก็เหมือนเดิมเมื่อ 2520ักว่ากว่าลงพ่อเข้าไปเรียนที่หินมักเป้งโับหลวงพุทธกลางคืนนะคนเข้าไปเต็มโบสถ์เลยมานั่งสมาธิกันรอบโบสถ์ก็มีทั้งนั่งสมาธิทั้งเดินจงกลมนะเป็นร้อยเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคนพอวนาเป็นร้อยร้อยคนหลวงพ่อก็ไปเดินดูส่วนใหญ่เป็นนั่งสมาธิให้สงบอย่างเดียวหรือไม่ก็นั่งออกเอาเคลิมล้ม คิดว่าเคลิมคือสงบนะความจริงเคลิ้มคือขาดสตินั่งให้เคลิมอย่างเงี้ยเดินจงกลมก็เดินเดินตัวลอยๆอยมีสมาธิมีปีติหรือไม่ก็แบบเคร่งเครียดถ้าไม่เลื่เปลืนไปเลยขาดสติไปก็เครียดไปไปเดินเดินดูเขาอยากจะไปนั่งแล้วไม่มีที่นั่งแนละ้วคนแย่แย่ไปหมด ดูไปดูไปนึกในใจไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนึกอย่างนี้นะไม่ได้ปฏิบัติคือไม่มีใครเจริญสติเจริญปัญญาจริงแลสมาธิก็ไม่ได้ถูกต้องอะไรศักดิแต่ว่าทํากันไปอย่างนั้นเองกิฟิมก็อยู่อย่างนั้นนี่ใจก็นึกตอนนั้นกิเลสเยอะเนาะใจไปเห็นคนอื่นเขาภาวนาแล้วก็นึกปา마ท์เขาว่าไม่ได้กินหรอกอย่างเงี้ยไม่มีใครภาวนา ตอนเช้าขึ้นมานะตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปหาหลวงปู่เขาเอาดอกไม้เอาอะไรไปถวายตามเข้าไปหลวงปู่เห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็ยิ้มยิ้มท่านก็บอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วละ่ะคือประโยคที่เราไปปลามาดคนนะแล้วนะทนก็ยิ้มยิ้มคนอื่นฟังไม่เข้าใจนะเรารู้เลยท่านสอนเราสอนเราว่าไปดูคนอื่นเขา แต่คนทั่วๆไปที่ได้ยินไม่เข้าใจนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยทําไมครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ได้ปฏิบัติหลวงปู่บอกว่านี่ก็ไม่ปฏิบัติกันแล้วลนะ่ะแท้จริงการปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ไปนั่งสมาธิให้เคลิมล้มๆสมาธิมีหลายแบบพวกเราพลาดนะปฏิบัตินะมันพลาดอยู่ตรงที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนที่จะเจริญปัญญาเออ มีสพวกพวกหนึ่งนั่งสมาธิไปเรื่อยๆหวังว่าสงบมากๆแล้ววันหนึ่งปัญญาจะเกิดคนละเรื่องกันนะั้นระหว่างทําสมาธิให้สงบกับให้ปัญญาเกิดอันนี้หลวงตามหาบัวเคยไปออกทีวีรายการถวายไลฟ์โชว์นะใครพ่อผ้าถามหลวงตาหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิมากๆปัญญาจะเกิดไหมท่านหันมาอะอะไรเกิดนะปัญญาจะเกิดไหมครับไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกัน นั่งสมาธิมากๆไม่ได้ทําให้ปัญญาเกิดถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วปัญญาเกิดนะั่นหรือสีชีพไพรมันบนรรลุพระอรหันต์ไปก่อนพุทธเจ้าเราแล้วนั่งสมาธิให้เอาสงบเอาเคลิ้มเอาอะไรเนี่ยมันได้แต่ความสุขความสบายนะไม่เกิดนี่พวกเราบางคนนะีไม่รู้จักจิตที่ถูกต้องสําหรับการเจริญปัญญาก็ไปนั่งสมาธิให้เคลิมเอาความสงบไหมกล่าวว่าสงบมากๆเราจะบรรลุไม่บรรลุหรอกนะคนละเรื่องกันนะวิธีปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันหรอก วิธีที่จ ะ, จะเจริญปัญญานะใช้สมาธิอย่างหนึ่งจะทําความสงบพักอยู่เฉยๆใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคนละแบบกันส่วนอีกพวกหนึ่งนะลงมือปฏิบัติจเจริญปัญญาเลยไม่มีสมาธิเลยเนี่ยพวกที่ไม่เตรียมความพร้อมของจิตนะเลยมีสองจำพวกพวกหนึ่งไปเตรียมผิดไปทําให้เคลิบขาสติอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยนะอย่างไปยกเท้าย่างเท้ากําหนดพองกําหนดยุบกําหนดไปเรื่อยๆ จิตไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะเนี่ยมันอยู่ก็ไปเดินปัญญาโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมของจิตซะกอ่อนมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันพวกหนึ่งก็ติดแต่ความสุขความสงบนะพวกหนึ่งก็ฟุ้งไปเลยนะเครียดๆไปภาวนาก็เครียดๆอยู่หลายๆปีก็เครียดอยู่กันะพวกหนึ่งก็เพลินไปพวกหนึ่งก็เครียดไปมันเป็นความสุดตกสองข้าง ก่อนที่พวกเราจะเจริญปัญญานะเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตของเราให้ดีซะก่อนนะจิตที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นพุโทโธคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะอายุเจ็ดขวบประมาณนั้นนะอายุเด็กๆนะมีงานแรกหนักขวัญพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่านะแล้วก็พี่เลี้ยงไปดูพระเจ้าสุทธโทธทนะไถนา เจ้าชายสีธาาอยู่องเดียวท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจหายใจออกหายใจเข้าอะไรเนียได้ปฐมฌานได้ฌานที่หนึ่งนะเสร็จแล้วท่านลืมลืมเรื่องของสมาธิชนิดนี้ไปนะจนกระทั่งอายุ29ออกไปบวชท่านสแสวงหาธรรมะสิ่งที่ท่านทำก็คือไปหาฤาษีนั่งสมาธนะิเหมือนพวกเราอะเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิก่อน เจ้ช า, ชายสิทธัตถะเขออกไปเรียนจากฤาษีเรียนจากอราราราดาบทได้ฌานที่7จนะ็เรียนจากอุทกดาบทรามบุตรได้ฌานที่8ขนาดได้ฌานที่8แล้วนะสูงสุดแล้วถามอาจารย์ว่ามีอีกไหมอาจารย์บอกไม่มีแล้วสมาธิมีเท่านี้ท่านสรุปเลยว่านี่ไม่ใช่ทางเสร็จแล้วตอนถัดจากนั้นท่านมาทรมานกายนะจนถึงวันสุดท้ายจะบรรลุพระอรหันต์นะ ท่านเดินในทางสายกลางท่านกลับมานึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ท่านก็หายใจจิตเข้าไปถึงชาญน 4, นะเสร็จแล้วเดินปัญญาต่อนะดูปฏิจจสมุปบาทบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนที่ไปเรียนจากฤาษีได้ชาญนเจชาญนนะชานเจนะ็ช 7, ช8ชันปต้องผ่านชานที่1เหมือนกันทำไมท่านบอกไม่ใช่ทางนะแล้วท่านมานึกถึงชา้นที่1ตอนท่านเด็กๆ แท้จริงแล้วฌานมี2ชนิดนะฌานของฤาษีเนี่ยจิตเคลื่อนออกไปจิตเคลื่อนออกไปจับอารมณ์มันเดียวเช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องจิตไม่ตั้งมั่นสมาธิชนิดหนึ่งนะจิตตั้งมั่นถ้าเราไปดูพจนานุกรมสมาธิจะแปลว่าความตั้งมั่นของจิตไม่ได้แปลว่าสงบก็เราชอบมั่วไปคิด A R เอว่าก็จะสงบสงบนะ เจ้าชายศรทัาท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้นะท่านก็ทําสมาธินะั้นหายใจด้วยความรู้สึกตัวนี่ในสุดจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วท่านเจริญปัญญานะไม่ใช่บรรลุพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาณาปานาสตินะพวกเราบางคนก็มักง่ายบอกพรุทธเจ้าบรรลุด้วยอาณาปานาสติไม่ใช่นะท่านทําอาณาปานาสติเพื่อให้จิตมีคุณภาพเท่านั้นเอง พอจิตมีคุณภาพแล้วท่านเจริญปัญญาในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านดูปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการที่จิตนีปรุงแต่งขึ้นมาจนเกิดความทุกข์ท่านเห็นตัวนี้นะแล้วก็รู้ว่าทำลายต้นต่อคือตัวอวิชชาความทุกข์ก็ไม่เกิดงั้นไม่ใช่บรรลุพระอรหันต์เพราะธรรมานาปนาสติให้จิตสงบคนละเรื่องกันแต่ว่าต้องมีจิตที่สงบตั้งมั่นถึงจะไปเจริญปัญญาได้แล้วก็เจริญปัญญาถูกต้อง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอย่างแท้จริงนั่นแหละก็ถึงบรรลุโสดาสกตาคานาคาบรรลุพระอรหันต์ไปงั้นพวกเราต้องเรียนให้ดีอย่าไปคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วมันจะบรรลุธรรมนะต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดถูกต้องด้วยสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งทั้งวัน เพราะฉนั้นจิตเราไม่มีคุณภาพหรอกหรือถ้าไม่คิดนึกปรุงแต่งเผลอไปนะเราก็เป็นจิตผู้เพ่งเพ่งให้นิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ไม่ใช่จิตผู้รู้อีกมันเป็นจิตผู้เพ่งจิตผู้คิดก็ไม่ใช่จิตผู้รู้จิตผู้เพ่งก็ไม่ใช่จิตผู้รู้นะเพราเราต้องมาฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ซะก่อนวิธีที่จะฝึกให้ได้จิตผู้รู้เนี่ยอย่าจงใจให้เกิดจิตผู้รู้บางคนจงใจให้เกิดจิตผู้รู้ได้นะตัวผู้รู้มี2องชนิด ชนิดที่หนึ่งในแข็งกระด้างเลยถ้าจงใจรู้ตัวอย่างนี้ทำให้ดูเนี่ยแล้วก็รู้อยู่อย่างนี้นะจะกระดูกดิกงนี่รู้หมดเลยนะแต่ใจนี่จะแข็งนะแข็งทื่อๆบางทีร่างกายพลอยแข็งไปด้วยอันนี้เป็นตัวผู้รู้ที่ผิดทํายังไงตัวรู้ที่ถูกต้องจะเกิดนะตัวรู้เนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะรู้สภาวะทั้งหลายเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับได้ตัวรู้เนี่ยมันตรงข้ามกับตัวที่เคลื่อนไปไหลไป จิตที่เคลื่อนไปไหลไปเนี่ยเป็นจิตปกติของพวกเรานะจิตของเรามีปกติหลวงปู่ดูนสอนเลยจิตมีปกติส่งออกนอกส่งออกนอกคือส่งไปทางตาวิ่งไปดูแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปฟังแล้วลืมตัวเองวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปรู้รสแล้วลืมตัวเองวิ่งไปรู้สัมผัสที่กายแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปเพ่งก็ถลำลงไปเพ่งลืมตัวเองอีกนะปกติมันจิตมันออกนอกอยู่แล้วเราจะไปสั่งว่าจิตจงหยาออกนอกนียสั่งไม่ได้ เมืจิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้แต่เราถ้ารู้หลักนิดเดียวนะง่ายมากเลยที่จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่มันเคลื่อนไปไหลไปเนี่ยเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละพูดง่ายๆนะมันคือจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑธรรมารมนะแล้วก็ซ่านแผ่ซ่านไปนะมันคือจิตที่มีโมหะชนิดหนึ่งเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่าน นะความฟุ้งซ่านมันดันอยู่เพราะฟุ้งไปซ่านไปไหลออกไปความฟุ้งซ่านเป็นกิเล ت. สศัตรูของกิเลสคือสติถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสแตเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติหรอกนะงั้นวิธีที่เราจะทําให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่ห้ามมันไม่ให้ฟุง้งเพราะจิตมันเคยชินที่จะฟุ้งมันต้องไหลตลอดเราไปห้ามมันไม่ให้ไหลไม่ได้นะแต่เราอาศัยสติรู้ทันว่ามันไหลเนะช่น จิตมันไหลไปคิดรู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันไหลไปเพ่งอารมณ์มันเดียวรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอย่าไปดึงให้ตั้งมั่นถ้าดึงให้ตั้งมั่นจะแข็งเกินไปนะให้แค่รู้ว่ามันไหลไปครูบาอาจารย์บางองค์เลยสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นฐานของการปฏิบัติก็คือจะได้จิตรู้นั่นเองจิตรู้ไม่ใช่ว่าได้โสดานะยังไม่ได้ขึ้นวิปัสนาเลยแค่เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเดินวิปัสนาให้เดินปัญญาเท่านั้นเอง การที่เราจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะให้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้จริงๆนะต้องลงทุนไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอ น, น, อนกระดิกมือกระดิกเท้าไปเรื่อยเพลินเนเผลอ เ, ปลอเปลอไปเรื่อยแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกก็ไม่ใช่นั่งสมาธิโง่กาดสติอะไรเงั้ยก็ไม่บรรลุหรอกนะทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยมีสติรู้ทันใจที่เคลื่อนไปใจที่เคลื่อนคือใจที่ฟุ้งซ่านนั่นเอง เนะช่นนั่งหายใจไปพุโทโธไปในเนี้ยนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเนี่ยกรรมฐานที่เจ้าชายสุทธัตถทนะทำละหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไปนะแล้วถ้าจิตมันไหลไปคิดจิตมันมีธรรมชาติชอบไหลอยู่แล้วเนี่ยมันชินที่จะไหลหายใจแป๊บเดียวจิตก็จะไหลไปคิดนะถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนะี่ย จิตที่ไหลไปคิดจะดับอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปคิดนะัไหลไปด้วยอํานาจของโมหะคือความฟาุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันมันดับของมันเองจิตมีจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะแต่ตั้งช่วขณะเดี๋ยวก็ไห ล, หลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีก ร, รู้อีกนะฝึกอย่างนี้บางทีก็ไม่ไหลไปคิดนะบางทีก็ไหลไปเพ่งอย่างเรารู้ลมหายใจออก ok, รู้ลมหายใจข้าวบางทีจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนะ จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจใจหลวงปู่ดูลีเขาเรียกจิตออกนอกเหมือนกันจิตจิตมันเคลื่อนจิตมันฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอย่าจงใจให้จิตตั้งมั่นแต่ให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเองฝึกให้มากนะฝึกให้มากพอฝึกมากๆเนะเราจะรู้ตัวทีละแวบทีละแวบนะเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยนะบางทีก็เดี๋ยวก็เพ่งแล้วก็รู้เพ่งแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้เนี่ยสลับกันอย่างเงี้ยนะ ในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอไหลคลิกรู้ทันตั้งปับ๊บแต่ตั้งเป็นขณะขณะขณะไปเรียกว่าคณิกะสมาธินะก็เราทําชาญไม่ค่อยจะได้ยุค ข, ของเราเนี้ยถ้าทําชาญได้จะสอนอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเราทําชาญไม่ได้เนี่ยเราอาศัยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเป็นขณะขณะ น, นี้แหละในสุดจิตเราจะตื่นขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตเราที่ผ่านมาเนี้ยเราไม่เคยตื่นเลย เราหลับเราฝันอยู่ตลอดเวลานะอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาเลยไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เบิกบานอะไรหรอกหลวงพ่อจะทดลองให้พวกเราดูจิตที่คิดนะไม่ใช่เรื่องอยากไม่ต้องเครียดง่ายมากเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะเอา้าทดลองดูคิดไหม เห็นไหมไม่เห็นยากเลยรู้ว่าจิตคิดอ่ะก็รู้อย่างนี้แหละนี่ยากอะไรเห็นไหมคิดอุตลุดเลยเห็นไหมทุกคนรู้ได้นะว่าจิตคิดเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องยากหรอกงั้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าใครอยากเกิดอีกมากๆก็ยังไม่ต้องทําก็ได้แต่ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดนะอยากทําให้วัฏฏะนี่สั้นลงหน่อยนึง นะอย่างน้อยสั้นๆ น, นะได้โสดาไปแล้วไปเจอพระศีระยามีตรัยเข้าไปเรียนต่ออะไรเงี้ยไม่ยากอะไรไม่ลำบากมากแล้วเวียนไหวไปอย่างเงี้ยโอ้ลงนรกไปทีนะักกว่าจะขึ้นมาลำบากถ้าเราต้องการได้มักผลบ้างนะอย่างน้อยชาตินี้เอาคอโสดาเา็ายังดีเราทำในรูปแบบนะเบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนนะศีลห้าจำเป็นที่สุดนะจำเป็นกว่าศีลอย่างอื่นๆไม่ให้มีศีลห้าไว้ ถ้าเรามีศีลนะเราจะได้บารมีหลายตัวเลยอย่างเรามีศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์เนี่ยนานๆไปเราจะได้เมตตาบารมีนะจะไม่ทำร้ายใครมันจะมีเมตตาขึ้นมาเราไม่ลักใครไม่ขโมยใครนะต่อไปเราก็ให้คนอื่นได้มันจะได้ทานนะบารมีนะเราซื่อสัตว์ในคู่ของเรานะต่อไปเราจะได้เนกขัมมะบารมีเราพูดความจริงไม่โกหกหลอกลวงต่อไปเราได้สัจจะบารมีไหมได้บารมีเยอะเลยนะ ได้เป็นกำลังมากมายส่วนข้อห้าไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยได้สตินะสติมากๆเข้าก็ไปได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาถ้าไม่มีสติจะไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะางั้นเบื้องต้นเนี่ยพยายามรักษาศีล5ไว้ก่อนนะตั้งใจทุกวันตื่นนอนมาก็ตั้งใจเราจะรักษาศีลหกลางวันก่อนจะกินข้าวตั้งใจเย็นก่อนจะกินข้าวตั้งใจก่อนนอนตั้งใจอีกอาวัน4ีหรอบเลยนะ ตั้งใจบ่อยๆเผื่อว่านอนหลับไปแล้วไม่ตื่นก่อนนอนเราก็ตั้งใจรักษาศีลแลนอนตายไปตอนหลับนะตายไปกับการมีศีลของเรานี่ไม่ตกต่ําตั้งใจอย่างนี้บ่อยๆก่อนถัดจากการมีศีลแล้วเราต้องมาฝึกจิตนี่ยบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขาจิตสิกขาก็คือเรียนรู้จิตทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะวันหนึงสินาทีก็พอละ ไม่ต้องทำวันหนึ่งหามรุ่งหามค่ำนะมงทำมากไปเครียดมากสติแตกนะหัดใหม่ๆมือใหม่หัดขับเนี่ยวันหนึงานาทีนะก็แทบแย่แล้วนะให้ลำบากนิดๆอย่าให้ลำบากมากเกินแล้วก็อย่าเอาแต่สบายนะตั้งใจอย่าโซ่เพาเราเคยฟุ้งซ่านมากนะตั้งใจแค่จะมาปฏิบัติสักนาทีเนี่ยู๋ต้องต่อสู้ลนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าต้อง3ชั่วโมงสตาร์ทชั่วโมงไปไม่รอดนะสู้ไม่ไหว นั้นตั้งใจไว้สักสินาที15นาทีทําอะไรบ้างไหว้พระสวดมนต์ไหว้ครูซะก่อนไหว้ผู้เท่เจ้าซะก่อนนะทำจะชกมวยก็ต้องไหว้ครูนะงั้นก่อนเราจะทํากรรมฐานเราคิดถึงพระพุ้เท่เจ้าคิดถึงคุณของท่านนะท่านดีงามนะท่านมีความบริสุทธิ์ท่านมีความกรุณานะท่านมีปัญญามากนะรู้มาได้ด้วยตัวเองเอามาสอนเรานะกว่าเราจะตามได้อย่างยากเลยเพราะปัญญาของท่านมาก นึกถึงคุณของท่านใจเราสบายใจเราสบายเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มมาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหายใจก็ได้จะดูพองยุกก็ได้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะจะพุโทโธก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตนะคอยรู้ทันจิตตัวเองเวลามันหนีไปคิดเอาทดสอบจิตหนีไปคิดใหม่ห้ามคิดดูออกอยางว่ามันคิดเนีง่ยง่ายง่ายแค่นี้นะต่อไปเราก็หายใจไป หายใจไปแล้วถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันถ้าจิตมันเคลื่อนเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะอันนี้ก็จิตส่งออกนอกเหมือนกันจิตหนีไปคิดก็จิตส่งออกนอกเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดจิตไปเพ่งลมหายใจจิตก็ออกนอกแนละ้วเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันเรื่อยๆไปอย่าไปห้ามมันนะถ้าห้ามเราจะเครียดเกินไปถ้าจิตหนีไปคิดแล้วไม่รู้ทันเนี่ยเรียกว่าย่อหย่อนไปเป็นกรารสุขาริการนุโยค ถ้ากลัวจิตจะหนีไปคิดแล้วบังคับไว้นะตึงเกินไปเป็นอัตตะกิลมฐานุโยคไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็รู้รู้ทันจิตบ่อยๆถึงจะเรียกว่าจิตตรศิกขานะรู้ทันไปเรื่อยๆลองทําดูนะเดือนเดียวเท่านั้นแหละได้ผลแล้วลนะคนที่มาทําไม่ได้ผลมันไม่ถูกหลักที่จะทํา ทํางมง่ายไปนะหายใจอะไรตอนไรแล้วก็ขาดสติจิตเคลื่อนอะไรไม่เคยรู้เคยเห็นกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นั้นแหะต่อไปเนี่ยเอาใหม่ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันฝึกไปเรื่อยๆจะเคลื่อนไปได้2แบบอันนึงเคลื่อนไปคิดอันนึงเคลื่อนไปเพ่งทําไมมันเคลื่อนไปคิดทําไมมันไม่ไปเคลื่อนอย่างอื่นเคลื่อนอย่างอื่นมีไหมมีเคลื่อนไปดูอย่างขนาดนี้เคลื่อนไปดูซะเยอะเลยแม่มีคนมายุ่งที่ประตู จิตเราไปอยู่ที่ประตูแล้วรู้สึกเปล่านี่แหละจิตออกนอกแต่ว่าเวลาเรานั่งกรรมฐานบา ท, ทีเราอยู่ในห้องนี่ไม่ไม่มีใครมาก่วนนียมันเหลือแต่เรื่องทางใจเราก็เลยรู้ทันจิตที่คิดแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอย่างนั้นเราจะเห็นเลยว่าวิ่งตลอดเลยมีอะไรก็แกลกแกลกก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังผัวเมียข้างบ้านเขาคุยกันเสียงเบาๆนะฝึกทิพซอดฟัง <laughs> จิตไปอยู่ที่เข้าเนี่ยจิตออกนอกออกไปทางหู ออกไปทางตาออกไปทางหูออกไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจออกได้6ช่องนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเราเวลาเราทำกรรมฐานในรูปแบบนั้นเราไม่ได้ไปดูอะไรแปลกๆไม่ได้มีเสียงอะไรแปลกๆใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะไหลาทางใจหรือไหลไปคิดถ้าไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งนะดู2ตัวนี้เป็นหลักไว้ถ้าเรารู้ทางจิตที่ไหลไปคิดนะจิตรู้จะเกิดนะเพราะจิตรู้กับจิตที่ไหลไปมันตรงข้ามกันจิตผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่ตั้งมั่น ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานฝึกตัวนี้ให้ชำนิชำนาญนะถ้าฝึกตัวนี้ชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปการเดินปัญญาเนี่ยเรื่องหมูหมูเลยง่าย ka. ง่ายง่ายมากๆเลยนะไม่งั้นเราเดินปัญญาไม่ได้เห็นนั่งสมาธิ mm. เฉยเฉยไม่ได้เด <machines. S 1> ินปัญญาเดินปัญญาเลยจิตไม่ได้ตั้งม <speaking>. ั่นก็ไม่เดินปัญญาจริงจะฟุ้งซ่านอย่างไปดูท้องพองท้องยุบเนาพองเนอยุบเนอะพองเนอยุบเาไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษ นะมันไม่เห็นไตรลักษ์หรอกถ้าจิตไม่มีสมาธิพอในอริธรรมถึงสอนว่า ส, สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ต้องสมาธิถูกชนิดนะถ้ามิดฉ้าสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญาหรอกแ้วสมาธิถูกต้องสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแล้มาฝึกจิตเราให้มีสมาธิที่ถูกต้องเึ่ก่อนแล้วการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปแล้วนะ นพอจิตของเราเป็นผู้รู้แล้วในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยบทเรียนสุดท้ายแล้วนะของพระพุทธเจ้าอันที่1ศีลศิกขาเราตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนอันที่2จิตศิกขาทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เข้าสู่บทเรียนที่3ามเรียกว่าปัญญาศิกขาปัญญาศิกขาปัญญาเนี่ยคือการรู้ความจริงเข้าใจความจริงความจริงของอะไรความจริงของตัวทุก อะไรเป็นตัวทุกข์กายนี้แหละตัวทุกข์ใจนี้แหละตัวทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจนี้แหละเมื่อเราจะทำกรรมฐานนะเราจะมาเรียนความจริงของกายของใจเรียกว่าเรียนตัวทุกข์นี่แหละท่านสอนนะสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้ง5้านี้เป็นตัวทุกข์ขันซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดนี่แหละเป็นตัวทุกข์ทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะเพราะั้นหน้าที่เราเนี่ยต้องรู้ทุกข์ การเจริญปัญญา ก, ก็คือการรู้ความจริงของขันห้าของกายของใจของรูปของนามความจริงของขันห้าคืออะไรคือไตรลักษณ์บางคนบอกไปดู ก, กายเป็นอสุภะอสุภะไม่ใช่ไตรลักษณ์ถ้าเราไปพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะนะจะได้สมถกรรมฐานจะเป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้าเราเห็นร่างกายแสดงไตรลักษณ์เนี่ยเป็นมิปัฏนาถ้าเราเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์เป็นมิปัสนา มีปััศนาปัสนะแปลว่าเห็นนะไม่ได้แปลว่าคิดถ้าคิดต้องใช้คําว่าวิตกเพราะฉะนั้นคําว่าวิปัสสนานี่คือเห็นนะเห็นตามความเป็นจริงเห็นร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเราจะเห็นอย่างที่มันเป็นได้ถ้าเราไม่ลืมมันคนเราที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตส่งออกนอกจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานเนี่ยเห็นไหมมีใครมาจิตเราวิ่งไปที่โน่นปุ๊บ เราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรจิตเคลื่อนไปนะจะลืมกายลืมใจตัวเองโดยฉพาะถ้าเคลื่อนไปคิดเนี่ยเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะกระทั่งคิดเรื่องร่างกายนะร่างกายนี่เปื่อยเน่าไม่นานก็ตายอย่างนี้นั่งคิดไปเรื่อยถามว่าเราเราจะรู้กายรู้ใจไหมไม่รู้เมื่อไร่คิดมันนั้นไม่รู้นะเมื่อไหรรู้มันนั้นไม่คิดนะเรคิดกับรู้ก็ศัตรูกันเลยเฉะั้นเราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทัน จิตนีไปคิดรู้ ร, รู้ในส่วนตัวรู้เกิดตัวรู้เกิดแล้วเนี่ยดูกายเขาทำงานวิธีดูกายทำงานทำยังไงวิธีดูใจทำงานทำยังไงเนะมื่อได้ตัวรู้แล้วบางคนบางคนนะที่มีบารมีเก่ามา ก, ก่อนเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติบางก่อนทันทีที่ตัวรู้เกิดขึ้นนะขันจะแยกออกทันทีเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายนะความสุขทุกข์แยกไปอยู่ต่างหาก กุศลอกุศลแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากขันมันแยกได้อัตโนมัติเลยถ้ามันเคยเดินปัญญามา ก, ก่อนแต่ถ้าบารมีในทางปัญญาไม่ได้สะสมมามันไม่แยกหรอกมันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนสอนผิดนะเที่ยวสอนสอนเงียนเผยแพร่บอกว่าให้รู้ตัวอยู่เฉยๆแล้ววันหนึ่งบรรลุรู้ตัวเฉยๆคือจิตมีสมาธิยังไม่ได้เดินปัญญาไม่บรรลุหรอกนะคนจะบรรลุได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพเพราะทีเจ้าบอกนะ บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจงั้นถ้าถ้ารู้ตัวเราขันแยกนะล้วก็เห็นขันแต่ละขันทำงานไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนี่เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจจิตเราเป็นแค่คนดูนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูกิเลสกับจิตนึกคนละอันกันอย่าเห็นอย่างนี้นะ แล้วเห็นจิตนะเกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับนะอย่างเวลาเราดูโทรทัศน์เวลาเราดูโทรทัศน์เรานึกว่าเราใช้อยตนะหลายตัวพร้อมกันใช่ไหมตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิดแล้วก็รู้เรื่องในความเป็นจริงลองไปหัดดูใหม่นะดูที่บ้านเราวันนี้แหละเวลาไปดูทีวีเราจะเห็นเลยว่าขณะที่ดูไม่ได้ฟังขณะที่ฟังไม่ได้ดูขณะที่คิดเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนะ จิตเนี่ยทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวทํางานได้ครั้งละช่องเดียวเท่านั้นเองแม้นอย่างบางคนนะไม่ฉลาดเลยไปเสียเงินตั้งแพงไปกินอาหารร้านหรูๆนะมีดนตรีให้ฟังด้วยอาหารก็อร่อยในขณะที่ฟังดนตรีเนี่ยอาหารยัดใส่ปากไปไม่รู้รสหรอกขัดทุนแล้วนะซื้อไว้ช่วยจะเสพหลายช่องเน้นได้อันเดียวนะขัดทุนหรือมัวแต่ชิมอาหารเฟร่เพล้อออกลืมฟังเคยเป็นไหม เนี่ยมันได้ช่องเดียวนะได้ทีละช่องเฉะนั้นจิตเนี่ยเกิดที่ตาก็าจะเกิดที่ตาไม่เกิดที่อื่นหรอกจิตเกิดที่หูก็ไปรับรู้ทางเสียงนะไปรับรู้เสียงทางหูนอกไม่ไปอย่างอื่นหรอกจิตเกิดที่ใจไปคิดแล้วก็ไม่มีตาไปดูมีหูไปฟังนะไม่สนใจหรอกนะอย่างเวลาเรานั่งสมาธินะหรือไม่ต้องนั่งสมาธิบางคนนั่งเล่นไพ่ أي, สมมตินนะนั่งเล่นไพ่ยุงกัดเนี่ยไม่รู้เลยใช่มเพราใจจดจ่ออยู่กับไพ่จะทิ้งตัวไหนดียุงกัดตั้งฝูงหนึ่งไม่รู้ นะถูกกินไปแล้วยุงก็กัดด้วยเงินก็เสียด้วยนะโทสะเกิดไม่รู้อีกแล้วว่าโทรสะเกิดดวงว่างก็คือตายไปกับความไม่รู้นั่นแหละมีแต่ความไม่รู้นี่พวกเราบางคนที่บา ร, รมีพอนะขันมันจะแตกออกให้ดูเลยร่างกายส่วนร่างกายสุขทุกข์ส่วนทุกข์กิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตมันแยกของกันแต่ละอันแต่ละอันนี้จะไม่ใช่ตัวเรานะเห็นถ้วยนี้ไหม ถ้วยนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไปรู้เข้าใช่ไหมใครเห็นถ้วยเป็นตัวเราบ้างเห็นก็บ้าแล้วละเนื้ออะไรที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เรานะความรู้สึกมันจะรู้สึกเลยมันไม่ใช่เราถ้าจิตมันไปรู้ร่างกายมันจะรู้สึกเลยไอ้นี่ไม่ใช่เราหรอกจะรู้สึกเองเลยนะอัตโนมัติเลยไม่ใช่เราหรอกเป็นตัวอะไรเป็นก้อนๆเท่านั้นเองนะ ความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นพอจิตไปรู้เข้า course, มันไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากิเลสก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมันจะค่อยๆถอนความเป็นตัวเราออกนะถอนความเป็นตัวเราได้นะถึงจุดหนึ่งจะเห็นนะตัวเราไม่มีถ้าเห็นตัวเราไม่มีนะนี่ได้โสดาบันพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นจริงไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในกายในความสุขในความทุกข์ในความจําได้หมายรู้ในความปรุงดีปรุงชั่ว ไม่มีตัวเรากระทั่งตัวจิตถ้าได้อย่างนั้นจะได้โซดานะแต่บางคนบางคนเนี่ยไม่มีบารมีนะขัดมันไม่แยกรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆถ้าแบบนี้ต้องช่วยมันนะมิธีช่วยมันทํำยังไงก็นั่งให้นานๆหน่อยนะคราวนี้นั่งแบบไม่จํากัดเวลานะไม่เหมือนนั่งทีแรกที่หัดคอยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนนะตอนนี้นั่งให้นานๆที่สุดเลย นั่งไปแล้วก็ค่อยๆสังเกตร่างกายมันนั่งอยู่พวกเราทุกคนตอนนี้ในห้องนะร่วมมือกับหลวงพ่อนิดนึงทุกคนยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานๆยิ้มเหมือนกับว่ากําลังถูกลอตเตอรี่มาเยิ้ม น, แ ล, นแล้วคนหัวัดล่ะเห็นไหมร่างกายกําลังยิ้มเห็นไหมเนี่ยรู้สึกอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมร่างกายที่ยิ้มมันไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าวบางคนสงสัยไปแล้วเสื้อลายๆนั่นสงสัยไปแล้วนะ ยิ้มใหม่ยิ้มใหม่ยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มอยู่พยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าเห็นไหมร่างกายทั้งตัวนี้กําลังนั่งอยู่เนี่ยค่อยๆฝึกนะเราจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้แหละมันกระดุกกระดิกอย่างนี้แหละจิตเป็นคนไปรู้มันเขา้ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะนั่งขยับก็ได้ขยับท่าไหนก็ได้ไม่ต้องไปทําท่าเหมือนใครเขาหรอกนะคิดท่าเองก็ได้นะ ขยับไปขยับไปเออไอตัวนี้มันขยับนะเราเป็นแค่คนดูเนี่ยมันพยักหน้าเราเป็นแค่คนดูนะมันยิ้มเราเป็นแค่คนดูฝึกไปนักกายกับใจมันจะเป็นคนละอานพอมันเป็นคนละอันได้แล้วปัญญามันจะเกิดละมันจะเห็นในร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกต่อไปก็นั่งอีกนั่งให้นานเลยนะเอาให้มันเมื่อยไปเลยพอมันเมื่อยขึ้นมาค่อยๆสังเกตอีกเอ้ร่างกายนั่งอยู่ จิตเป็นคนดูอยู่ทีแรกไม่เมื่อยตอนนี้เมื่อยงั้นความเมื่อยเนี่ยนะไม่ใช่ร่างกายมันมาทีหลังมันไม่ใช่จิตด้วยนะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวเมื่อยนี่เป็นตัวเวทนานะเราแยกได้แล้วนะกายเวทนาจิตคนละอันกันความเมื่อยไม่ใช่จิตนะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอเห็นตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งลุกนะบอกแล้วว่าวันนี้นั่งให้โลกแตกเลยนั่งให้สุดๆไปเลยนะให้มันทรมานมากๆไม่เห็นง่าย ก็บุญบา ร, รมีเราน้อยอะ่ะเราไม่ได้เจริญปัญญามาก็ต้องลําบากหน่อยถ้าบา ร, รมีมากแลพารู้ตัวปุ๊บขันแตกเลยนะขันแยกเป็นส่วนๆเลยคราวนี้นั่งไปให้นานนะปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใจจะเริ่มกระสับกระส่ายละโอ้ยนั่งอย่างนี้จะดีเหรออย่างนี้มันอัตตะกิลมฐานด้วยโยกมั้งนั่งอย่างนี้จะเป็นอำมาพาดหรือเปล่านะ ใ, นใจชักกังวลละใจชักกังวลชักจะหงุดหงิดเวลามันปวดมากๆก็หงุดหงิดใช่ไหม เร่องหุดหงิดเราจะเห็นเลยว่าความปวดมันอยู่ที่ร่างกายความหงุดหงิดมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นความปวดกับความหงุดหงิดนี่คนละตัวกันนะเนี่ยเริ่มแยกขันได้อีกตัวลนะตัวความหงุดหงิดนี่เป็นความรู้สึกเป็นปฏิิรยาของจิตนะเป็นตัวสังขารนะเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสังขารละขันนี่เราแยกได้สขันลนะสัญญาขันนะี่ปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเพราะสัญญาของเราตอนนี้วิปลาสคือบ้านั่นแหละนะผู้ทุช น, นี่สัญญาวิปลาสร้อเนะ ทั้งหมดเลยวิปลาสยังไงวิปลาสตรงที่เห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงามวิปลาสตรงที่เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปลาสตรงที่เห็นของที่เป็นทุกข <il> ์ว่าเป็นสุขวิปลาสตรงที่เห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเราพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดียวกันเราคนนี้กับพรุ่งนี้ก็คนเดิมเนี่ยวิปลาสงั้นตัวสัญญาของเราวิปลาสอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมัน พามันเรียนรู้ความจริงไปก่อนแล้วตอนหลังสัญญาหายวิปลาสไปเองนะงั้นเราแยกได้สีขันก่อนก็พอละแล้วเราจะเห็นเลยว่าขันมันทํางานนะร่างกายมันก็ทํางานตามหน้าที่ของร่างกายมันหายใจออกมันหายใจเข้ามันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันกินอาหารมันขับถ่ายนะมันทํางานของมันมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ความสุขความทุกข์ก็ทําหน้าที่ของความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่กายบ้างเกิดขึ้นที่ใจบ้างเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่อยู่นานนะเกิดอย่างความสุขเกิดขึ้นอยู่แป๊บเดียวก็หายความทุกข์เกิดขึ้นก็หายเหมือนกันนี่เฝ้าดูไปเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มีแต่ของสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นะก็คือคําว่าอนัตตาเนี่ยขั้นเจริญปัญญานนตรลักษณอยย่างี้ ต้องมาดูขันแต่ละขันแสดงใจรักสังขารนะความปรุงดีปรุงชั่วอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงคนไหนขี้โมโหก็ดูความโกรธบ่อยๆนะเวลาจิตมันโกรธขึ้นมาเราก็เห็นโอ้เมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธแล้วนะความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธจะดับไปเราเห็นเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธอีกแล้วเนีเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นะงั้นคนไหนขี้โกรธนะก็เอาความโกรธแหละมาเป็นกรรมฐาน อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดูครับพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะแค่นั้นเองเราจะเห็นในความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยแล้วก็บังคับไม่ได้นะคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยในห้องนี้มีไหมเจอของนี่ก็อยากได้เจ อ, อนี่ก็อยากได้นัอยากไปหมดเลยเนี่ยต้องใช้หลักที่พระเจ้าสอนดูครับพิสูจนทั้งหลายจิตมีราคะ ให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคะคนไหนฟุ้งซ่านก็ใช้หลักดูกราฟิกสูตรทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตหดหูให้รู้ว่าหดหูนะหายฟุ้งแล้วก็ซึมโดยธรรมชาติเลยนะถ้าฟุ้งมากก็ซึมมากนะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้มีแต่คำว่ารู้นะรู้อย่างที่มันเป็นนะี่การดูจิตดูใจนะจะเห็นเลยว่ามันทํางานได้เองมันไม่เที่ยงหรอก ดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็บังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นตลอดนะหายใจก็ทุกข์นะเชื่อไหมว่าหายใจก็ทุกข์ลองหายใจเข้ายาวๆเนทุกข์ไหมทดลองดูของจริงอย่าหายใจออกนะหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะไม่ถึงนาทีจะตายแล้วรู้สึกไหม ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ก็หายใจออกไปอย่าหายใจเข้านะทุกข์ไหต้องหายใจเข้าแก้ทุกขนะ์เราเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์นะเปลี่ยนจังหวะการหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นั้นจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดกลางคืนนอนก็พลิกซ้ายพลิกขวาใช่ไหมมีใครนอนไม่กระดุ ก, กระดิกไหมมีไหมพวกเปนาา็นอะัมพาตไงนอนกระดุกระดิกไม่ได้นะก็เปลื่อยเน่าเปื่อยไป เป็นแผลกดทับเลยไปทุกข์มากเนี่ยถ้าดูเป็นนะจิตมันเป็นคนดูมัเห็นร่างกายว่าร่างกายมีแต่ความทุกข์ร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูความสุขความทุกข์ก็จะเห็นว่าไม่แต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะหรือดูกุศลอกุศลก็เห็นกุศลก็ไม่เที่ยงลบโกรหลงก็ไม่เที่ยงนะรูปธรรมเนี่ยจะแสดงตัวทุกข์กับอนัตตาชัด นำมาทำนะพวกความรู้สึกทั้งหลายจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาชัดอย่างความโกรธเนี่ยเกิดมาเรารู้ทันก็ดับเกิดดับเกิดดับให้ดูอย่างรวดเร็วแล้วเราจะเห็นเยไม่ตั้งใจจะโกรธมันโกรธได้เองนะเคยไม่คิดจะไม่โกรธแล้วก็โกรธเคยไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธหรือตั้งใจว่าจะไม่รักอีกต่อไปแล้วก็รักอีกนะในเวลาอันสั้นเราสั่งไม่ได้เราสั่งไม่ได้ เนี่ยการดูของจริงนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเข้าไปอย่างนี้ดูกายดูใจนะกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยนามาทำเนี่ยจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายนะตัวรูปธรรมจะ เ, เห็นตัวทุกข์กับตัวอนัตตาง่ายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงจุดนึงปัญญามันปิ้งขึ้นมา มันพอแล้วดูจนมันพอนะบางคน7วันก็พอบางคน7เดือนบางคน7ปีถึงจะพอนะมันจะเกิดจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะรวมเองเลยทั้งชาติไม่เคยเข้าฌานวันนั้นจะเข้าฌานแล้วม่เข้าของมันเองเลยนะจิตรวมถึงอัปปนาสมาธิแล้วอริยมรรคเกิดขึ้นในฌานอาริยมรรคจะไม่เกิดในจิตปกติอย่างนี้จิตต้องเข้าฌานแล้วเกิดอริยมรรคนะนี่เป็นกฎของธรรมะ ต้องฝึกนะเบื้องต้นถือศีล5ต่อไปทำในรูปแบบทุกวันเลยซ้อมวันะานาทีไหว้พระสวดมนต์สัหน่อยหนึ่งแล้วก็คอยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ใช้อนาปนานสติหายใจจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งหลมก็รู้เราจะได้ตัวรู้ขึ้นมา ต, ตัวรู้ขึ้นมาแล้วดูธาตุดูขันธ์มันทางาน ตรงตามหาบัวบอกนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราเรื่องเจริญปัญญานะไม่มีทางเจริญปัญญาเลยเราต้องแยกขันให้เป็นบางคนพอจิตเป็นตัวรู้ขันแยกแล้วถ้าไม่แยกก็หัดแยกนะนั่งไปนานๆแล้วค่อยดูกายก็อยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึงกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึงจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยหัดไปพอแยกเป็นแล้วเนี่ยขันแต่ละขันนั่นแหละจ ะ, สะแสดงไตรลักษณ์ให้ดู วิปัสสนาคือการเหตุขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์นะจริงวิปัสสนากว้างกว่า น, นั้นเห็นอายตนะก็ได้อายตนะ6ก็ได้ขันห้าก็ได้ธาตุสิบแก็ได้อินทรีย์บ2อก็ได้ดูปฏิจจสุบาทคือกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ก็ได้นะทําได้หลายอย่างแต่ที่สอนวันนี้สอนเรื่องขันนะขันห้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ช่างคิดพวกคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยทำมาหากินด้วยการคิดเนี่ยเหมาะที่จะดูจิต พวกดูจิตเนี่ยจะฝึกเรื่องขันพวกดูกายจะฝึกเรื่องอายตนะนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายห้าอันเนี่ยเป็นกายมีใจอันเดียวเป็นนมามธรรมใชม่ส่วนขันห้านะก็มีรูปอันเดียวเป็นรูปธรรมสีอันที่เหลือเป็นนมามธรรมงั้นถ้าพวกถนัดดูจิตเนี่ยจะดูเรื่องขันห้าถ้าพวกถนัดดูกายจะดูเรื่องอายตนะหกนะถ้าพวกชอบเยอะๆอยากรู้เยอะ ๆ, ๆดูเรื่องธาตุสิธาตุ เรืออินทรีย์ิอ2อนยองหมอกับพวกดูจิตนะปฏิจจสมุปบาทก็เหมากับพวกดูจิตกนะ็ปฏิจจสมุปบาทส่วนใหญ่เป็นนมามธรรมฝึกนะทำให้ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แห ล, นะละลักษาศีล5้าทุกวันซ้อมในรูปแบบเวลาที่เหลือในชีวิตประจำวันนี่แหละคือเวลาทำกรรมฐานที่เป็นตัวหลักของเราเมื่อตาเห็นรูปความสุขความทุกข์ กุศลอกุศลความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้รู้ทันเมื่อหูได้ยิเนเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายขึ้นที่จิตให้รู้ทันเมื่อใจเราคิดนึกปรุงแต่งเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายที่จิตให้รู้ทันนะเนี้ออยู่ในชีวิตประจําวันเนี้ยฝึกอย่างนี้ให้มากเลยมันจะเห็นในทั้งกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรานะ ฝึกให้ไปเรื่อยๆถึงวันที่เขาพร้อมก็จะได้ธรรมะหรอกนะไม่ยากเกินไปที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นธรรมะปานกลางไม่ละเอียดลึกซึ้งมากนะปานกลางเท่านั้นเองเหมาะกับคนธรรมดาธรรมดานะไม่ใช่มนุษย์วิเศษอะไรหรอกนะคนสมัยพุทธกาลไม่ได้เก่งกวเรานะเขาฟังทำเขาได้ธรรมะเราก็ต้องฝึกเอา วันนี้เท่านี้ก็พอนะให้กันบ้านฟังเปล่าๆไม่ได้ถือว่าเอาเปรียบหลวงพอ่อไม่เก็บค่าฟังนะแต่ว่าต้องใช้นี่หลวงพอ่อกลับบ้านไปไปฟังซีดีหลวงพ่ออีกฟังให้ได้บ่อยๆนะฟังแล้วฟังอีกถึงมีแผ่นเดียวก็ฟังมันแผ่นเดียวนัว่นแหละไม่ยากอะไรหรอกฟังเพื่ออะไรรู้ไหมฟังว่าเราจิตเราจะพัฒนาไป ตรงที่ไม่เข้าใจไม่จะเข้าใจเห็นมาเป็นลําดับลําดับซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนของใครนะกล้ารับรองเลยฟังแต่ละครั้งเนี่ยความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมความอัศจรรย์อยู่ตรงนี้แหละเพราะธรรมะแท้ๆนะจะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างเวลาคนไปฟังพระพุทธเจ้าเทศนะ์นะทุกคนจะรู้สึกว่าท่านเทศสอนเราทั้งๆที่มีตั้งแต่เบสิกนะจนถึงขั้นสูงเลยทุกคนรู้สึกว่าท่านสอนเรานะเนี่ยธรรมะแท้ๆเป็นอย่างนี้แหละไม่จํากัดอะไรเลยนะ งั้นอย่างบางทีภูมิจิตภูมิธรรมของเราได้แค่นี้ระดับนี้เราฟังแล้วเข้าใจขึ้นมาหน่อยพอฟังอีกนะความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นไปมันไม่เหมือนเดิมแล้วความเข้าใจมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเจอกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาด้วยการดูของจริงนะไม่ใช่ด้วยการฟังนะการฟังเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาเท่านั้นแหละจะจะมีท่านไหนจะมีการ อย่ามีเยอะนะพ่อจะบอกให้ว่าเรียนกรรมฐานอย่าถามเยอะถามมากก็พอคิดมากถ้าดูของจริงนรไม่มีอะไรถามหรอกเช่นสงสั ย, ยจะทำยังไงดีนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่จบละก็จะเห็นเลยความสงสัยไม่ใช่เราหรอกนะความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเราต้องการเห็นแค่ว่าทุกอย่างเกิดเราดับทุกอย่างาบังคับไม่ได้ต้องการแค่นี้เองไม่จะสงสัยอะไรนักหนาะ <c oughs> เนาพระาจารครับพอาจารย์พ่อบอกว่าเอ่อค่ดูเห็นแค่เห็นปฏิจจสมบัตส่วน่าแต่ก็ื่างสมบตนต้นสบ่วนต้นไม่เห็นหรอกนะปฏิจจสบาทส่วนต้นเนี่ยคนจะเห็นใกล้จะจบแล้วเห็นเอวิชาเอวิชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นตัวเจตนาอาวิชาเรายังไม่เคยเห็น ถ้าเห็นจิตอวิชชาคือได้ยินคํนาว่าจิตอวิชชาไหมตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตอวิชชาไหมแต่หลวงพ่อสอนให้พวกเรามีจิตผู้รู้ไหมแล้ววันหนึ่งนะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงจิตผู้รู้นี่เห็นแจ้งเลยนี่แหละตัวทุกตัวทุกที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เราปล่อยเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือเท่านั้นเองนะพอเราจะขึ้นฝั่งจริงก็ถีบมันทิ้งไปแต่ตอนนี้ต้องอาศัยก่อนเรายังไม่เห็นออกส่วนต้ น, ตนนะ เนี่ยเขียแม่เช็คคีย์ดาวละส่วนต้นเป็นยังไงเนาะรู้ว่าสงสัยจบเดี๋ยวตอบได้ทุกคนนะใครถามหลวงพ่อหลวงพ่อตอบได้หมดเลยก็าถามอะไรนะั้นก็บอกให้รู้เอาสิแล้วคําตอบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วนั่นแหละคำตอบที่ซื่อที่สุดแล้วซื่อตรงต่อความจริงที่สุดแล้วนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเสื้อเหลืองนั้นใช้ได้แล้วนะไอ้หนุ่มใส่แว่นนะ่ะดูไป รู้สึกตัวไปดูขันมันทำงานไปรู้สึกั้มเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเห็นไหมกายกับใจ ะ, ะอันนะเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วกับใจโคะะ่นนั่นแหละขันมันแยกแล้วเห็นไหมกายมันก็ทำงานของมันมันไม่ใช่เรารสุขทุกข์ดีชั่วก็เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้いいไจิตจะเป็นยังไงก็เลือกไม่ได้จิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดก็เลือกไม่ได้ นั่นแหละธรรมะละดูไปจนจิตมันยอมจิตมันเข้าใจความจริงนะทำถูกแล้วไปทำต่อคนอื่นก็ใช้ได้นะดูดีๆหน้าตาสดใสยกเว้นพวกคิดมากคิดมากยากนานเนี่ยอุดมคติเลยถามน้อยๆเพราะเนีย่ย <c oughs> อ้าว่ามาค่ะกรรมนัวัศการค่ะมีไหนไม่เห็นหรออ้าว่ามาค่ะ <c oughs> ก็อยากคิดเยอะนะสังเกตดูก็ค่อนข้างสงสัยเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พยายามสวดมนต์แต่ว่าปฏิบัติในรูปแบบก็อย่างเดินจงกรมก็จะไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าเวลาทําก็จะสงสัยแล้วก็จะเพ่งค่ะกขลงของคุณมันช่างสงสัยนะจิตนิสัยมันช่างสงสัยยันบริกรรมไปก็ได้อะไรไปก็ได้นะหรือหายใจไปก็ได้แล้วก็รู้ทัน จิตมันสงสัยก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆพวกช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดคือการดูจิตตัวเองนะดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดสงสัยนนเวลาเราสงสัยเราก็ถามเราได้คําตอบเราก็ไปคิดต่อเราก็สงสัยอีกมันจะเป็นวัตฏะที่เลวร้ายมากเลยนะนนเราต้องแหวกวัฏฏะนี้ให้ได้น ะ, ะกล้าหาญหน่อยสงสัยรู้ไปเลยมีอะไรเกิดขึ้นรู้มันอย่างที่มันเป็นเลย สงสัยที่ใครๆก็สงสัยก็คือสงสัยว่าทำยังไงจะทำถูกสงสัยไหมทำไงจะดีกว่า น, นี้รู้ว่ากำลังสงสัยกล้าให้ขนาดนั้นเลยนะถึงจะผ่านแล้ว <c oughs> เราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่เห็นต้องสงสัยเลยเพราะว่าความจริงนั้นแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเพราะเราเวลาเราสงสัยเราจะไม่ยอมดูความจริง นะถ้าสงสัยขึ้นมาเราเห็นว่าสงสัยนี่เราย้อนมาดูของจริงแล้วจิตกำลังสงสัยอยู่ความจริงก็จะแสดงให้เราดูความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปความโลภความหลงหรืออื่นๆเกิดแล้วก็ดับไปงั้นความคิดนี่แหละปิดบังความจริงนะงั้นสงสัยดูมันก็ไปเลยรู้ว่ากำลังสงสัยนะเออกล้าๆหน่อยเห็นลูกศิษย์หลงพ่อทั้นเข้มแข็งนะเออเอาต่อไปมีไหมนวนข้างหลังมีอยู่2คน3ามคน ครับกมัาาการพระอาจารย์นะครับผมขนาดนี้จิตเป็นธรรมชาติไหมหรือประคองไว้ครับก็ฟัง MP3 พระอาจารย์มาหลายครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้เคยไปโอกาสส่วนเศรธรรมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาต้องขอบคุณบริษัทออกบัวคู่ด้วยนะครับที่ให้ทำนะครับรวมถึงก็เริ่ม เ, เจริญสมถะโดยการดูลงหายใจเข้าออกแล้วก็รูตันจิตไหม ดูลมแล้วรู้ทันจิตนะรู้ครับแต่ไม่ได้ไปฝังกรามันเพื่อเจริญปัญญาต่อไปนะครับเจริญปัญญาเนี้ยจิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องไม่ได้ประคองเอาไว้ขณะนี้ประคองไหมประคองครับประคองให้รู้ทันนะครับผมก็เวลาเราประคองเนียมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงนมันจะนิ่งนิ่งรเราต้องปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติรู้ครับนกลก ครับก็จะขอปฏิบัติต่อไปนะครับดีแล้วละนะนวดข้างหลังข้างหลังมีอยู่สองคนกรรนมัสการหลวงพ่อค่ะสงสัยอะไรเห็นไม่ว่ากายกระใจคนละอนเคยเห็นไหมแต่ว่ากิเลสเกิดมันยังเอาไม่ค่อยอยู่มันยังเปิดเปิดมันแบบมันไปเวลากิเลสเกิดนะ เราไม่คล้อยตามแล้วเราก็ไม่ต่อต้านคล้อยตามก็คือถูกมันครอบงำนะต่อต้านก็คือหาทางสู้เราจะจัดการกับกิเลสนะเหมือนเรือที่ทอดสมออยู่ในทะเลหรือในแม่น้ำน้ำก็ไหลไปนะเรือไม่ไหลาตามน้ำแต่เรือไม่ขวางน้ำนะงั้นเวลาที่กิเลสเกิดก็แค่รู้ว่ากิเลสมาแล้วก็จะเห็นกิเลสมาแล้วกิเลสก็ไปอย่าไปหาทางสู้กิเลสนะ กิเลสเนี่ยอยู่ในสังขารขันอยู่ในกองทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ไม่ใช่การละนะงั้นอย่าไปคิดที่จะสู้กิเลสไม่เคยมีใครสู้กิเลสได้เลยมีแต่รู้ทันแล้วกิเลสครอบงําจิตไม่ได้แล้วสุดท้ายจิตเลิกปรุงแต่งกิเลสกิเลสนั่นแหะจิตสร้างขึ้นมาเองแล้วเสร็จแล้วมันกลับมาครอบงําจิตอย่าไปคิดสู้มันนะสู้ต <laughs> ู้กับมันนะตู้ไม่ได้หรอกรู้อย่างที่มันเป็น ดูกรภีกสูทั้งหลายจิตมีราคารู้ว่ามีราคะจบลงแค่นี้เองดูกรภีกสูทั้งหลายจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะแค่นี้เองไม่มีเกินนี้หรอกไม่มีเกินรู้คะ่ะหนูรบกวนหลวงพ่อเมตตานำภาวนาแม่ค่ะพาแม่มาด้วยค่ะไหนแม่ขอดูหน้าไม่เห็นอะ <c oughs> เห็นแต่ปลายผม ยืนได้ไหมยืนขอดูหน้านิดหน่อยไปฟังซ d ดีนะแล้วรู้ทันจิตไปอย่างบางวันเราห่วงลูกเราเรารู้ว่าห่วงนะบางวันมีความสุขบางเวลามีความทุกข์เราดูความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะโยมแม่ไปดูองนี้อ่ะส่งไปข้างหลังยืนอยู่น่นคนสุดท้ายละกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับว่าไงก็ ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณห้าปีะครับก็ปฏิบัติดูกายดูใจตามที่หลวงพ่อแนะนำนะครับก็เคยตั้งจิตอธิฐานว่าขอให้มีบุญได้มาฟังหลวงพ่อนะครับได้มีโอกาสมาส่งกันบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ตื่นเต้นนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสส่งกันบ้านดีที่รู้นะจิตถึงฐานไหมจิตตั้งมั่นไหมขณะนี้ตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นสังเกตดูความรู้สึกของเราสิ มันกระจายออกข้างนอกหรือเปล่าลองย้อนกลับมาดูจิตซิย้อนได้ไหมหรือมันดีดออกไปเห็นไหมมันเด้งออกไหมมันกําลังกลับเข้ามาครับเออไม่กลับแบบดึงไหมถ้าดึงแล้วจะแน่นเอนะอให้มันเข้าบ้านไวนะ้แต่อย่าไปรักษาไว้ออกไปข้างนอกรู้ทันมันจะเข้ามาเองนะอย่าดึงเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วก็อย่ารักษาไว้มันจะไหลออกไปอีกก็ไม่ว่ามันนะรู้ว่ามันออก มาถูกทางไหมครับหลวงพ่อเพาไมมาถูกสิมาบวกคู่ได้ก็ถูกแล้วเนี่หลงไปที่อื่นนะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจได้นะรู้ด้วยใจเป็นตั้งมั่นใจเป็นกลางก็ถูกทั้งนั้นแหละใจหนีไปคิดทราบไหมเวลาใจหนีไปคิดทราบครับเออนะให้รู้ทันใจหนีไปคิดเรารู้เราก็ใจกลับมาอยู่กับตัวเองก็กลับมาอยู่ตัวตัวเองแล้วอย่าไปเพ่งให้นิ่ง กร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอาจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอาแอไปคิดอีกหรือยังอยากพูดหรือเปล่าเนี่ยรู้ทันลงไปอย่างนี้นะเ ป, ป็นขณะขณะไปรู้สบายๆการดูจิตเนี่ยมีหลักอยู่3ประการก่อนดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องรอดูว่ามีมีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดอะไรเลยมันจะว่าง นั้นก่อนดูอย่าไปดักดูนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาระหว่างดูๆห่างๆอย่าถล่าลงไปดูดูแล้วนะยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้อย่างนี้จิตหนีไปคิดไหมไม่ครับไม่คิดแน่นะ <laughs> จิตกําลังนิ่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ครับนี่งไงฟังหลวงพ่อรู้เรื่องอะ่ะแสดงว่าจิตออกนอก <laughs> แล้วนะจิมไปอยู่ที่หลวงพ่อใช่ไหมก็คือมันไม่ตั้งมัน่นรู้ทันอย่างนี้นะใช้ได้ไปทําอีกนะมาสการหลวงพ่อครับอ่ะหมดอ่ะยังเหลืออีกคนหนึ่งหลงอยู่โน่นมีความสุขไหมรู้สึกไหมมีความสุขดูซิความสุขเที่ยงไหมดูเฉยๆอย่าคิดเอาเห็นไหมว่าไม่สุขอยากตะกี้แล้วใช่ไหมความสุขก็ไม่เที่ยงนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงดูของจริงอย่างนี้แนละ้ ครับก็ปฏิบัติเดิมเคยดูลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำเหมือนหลวงพ่อเหะทีนี้เคยปรึกษาคุณมารีคุณมารีบอกว่าบางทีผมไปติดอยู่แต่เพลงลมหายใจครับก็เลยลองไปดูกายดูครับแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่มันลงอย่าไปกลัวสิหายใจก็ได้นะเราทำกรรมฐานที่เราคุ้นเคยดีที่สุดละหายใจแล้วจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้ทัน หาใจแล้วจิตหนีวิคิดเรารู้ทันทําอย่างนี้นะคตอนหละมผมมาเลยมเรมใช้พุโทโธครับพุโทโธก็ได้แต่รู้สึกว่าพุโทโธจะจะจะจ ะ, จะตามได้ทันนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าบางครั้งก็ยังลงไปไปไม่ห้ามนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่ากลัวหลงนะถ้ากลัวว่าจะหลงแล้วไปบังคับไหมจิตจะแน่นๆไม่ถูกหรอกรให้หลงแล้วรู้แล้วนะถูกที่สุด หลวงพ่อเขาเวลาผมเดินจงกรมเนี่ยผมเองไม่รู้สึกแต่ว่าลูกหรือแฟนเนี่ยเขาจะเห็นว่าเหมือนเราคล้ายๆกับเหมือนเราเดินเหมือนบังคับอะครั บ, รบเ อ, อสแสดงว่าเขาเก่ง <laughs> เราจงใจปฏิบัติม่อยอม บ, บังคับแค่ตั้งใจตั้งใจเยอะไปไม่ถูกหรอกแต่ก็เริ่มจากที่หลวงพ่อแนะนําว่าถา ก, ก็รู้ว่าบังคับอยู่นะห้านาทีสินาทีตอนนี้ก็ได้ประมาณ 20-30 นาทีได้ครับเราไม่ใช่กลายเป็นนักบังคับผู้เก่งกล้านะ <laughs> บังคับได้นานไม่ใช่เรารู้ทันว่าบังคับอยู่ดูสบายๆเนี่ยถ้าจิตอย่างนี้จะเป็นจิตบังคับอย่ารวมจิตเข้ามาอย่าอัดเข้ามามันแน่นนะเออมันจะแน่นเนี่ยถ้ามันแน่นมันหนักมันแข็งมันซึมมันทึ่นะอันนี้ผิดแล้วถ้าผิดแล้วเลิกไปก่อนเริ่มต้นใหม่ขอบคุณครับหมดละละรับผรอนนะรับ ยาถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโูปนรโสยะถามณีโชติลโสยะถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจยังุทธาปจายโนจตารโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง